ท่านอาจารย์องค์นี้เป็นผู้มีนิสัยเคร่งครึมแเด็ดเดียวมากสมที่สละสมบัติอันมีค่าออกบทจริงๆจึงขอสรุปผลแห่งการปฏิบัติที่ท่านได้รับเป็นที่พึงใจว่าท่านได้สมบัติอันล้นค่ามหาสจักรที่จังหวัดเชียงใหม่ในเขาลึกกับคนชาวป่าตามที่ท่านเล่าให้ฟังท่านจำไม่ผิดแต่จําไม่ได้ว่าเป็นหมู่บ้านอะไรเขาลูกใดและอำเภอใดที่นั่นแลเป็นที่ปลดเปลื้องภาระแห่งวัตวนภายในใจออกได้โดยสิ้นเชิง เมื่อท่านอาจารย์มั่นกลับไปจังหวัดสกลนครได้หลายปีแล้วท่านจึงได้ติดตามท่านไปราวพศอ2486และจำพภาษาอยู่ที่วัดสุทธาวาสจังหวัดสกลนครจากนั้นท่านจึงได้หวนกลับมาสร้างวัดที่บ้านดงเย็นอําเภอน้องหารจังหวัดอุดรธานีอันเป็นภูมิรำเอาเดิมและได้มรณภาพลงที่นั่นดังที่เขียนถานมาแล้วเมื่อถึงวันงานถวายเพลิงศพท่าน บรรดาพุทธบริษัทนักสแสวงบุญทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลตลอดชาวนาครหลวงก็อุตส่าห์สละเวลาไปเป็นจำนวนมากแม้พี่น้องชาวเชียงใหม่ก็ยังอุตส่าห์ไปกันทุกๆุ ท, กท่านที่ไปไม่ได้คำนึงถึงความลำบากและสิ้นเปลืองใดๆเลยมุ่งแต่ความสมหวังดังใจหมายในงานโดยถ่ายเดียวฉะนั้นว่ดที่ตั้งของงานแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลในยามปกติธรรมดาแห่งสายตาคนทั่วไป แต่ก็ได้กลายเป็นวัดที่คับแคบแออัดขึ้นมาในเวลานั้นเพราะผู้คนพระเนรจำนวนมากต่างหลังไหลกันมาในงานท่านแม้เช่นนั้นก็ไม่ได้เป็นความเออกระเิกปุ้นวายแก่งงานแต่อย่างใดเลยเพราะต่างท่านต่างมาด้วยกิจผ่องสายใจศรัทธาไม่ได้มาด้วยความหวังอย่างอื่นที่อาจเป็นอันตรายแก่งงานและประชาชนที่มาในงานได้ตอนกลางคืนของงานคณะกรรมการวัดได้จัดให้มีการอบรมกรรมฐานตลอดรุ่ง โดยอารัธนาพระอาจารย์กรรมฐานผู้ทรงคุณวุฒิเป็นองค์แสดงด้วยปกิณะการทำบ้างด้วยสมาธิทมบ้างด้วยปัญญาทำบ้างสับปนกันไปเพื่อประโยชน์แก่ท่านที่เป็นนักบวชฝ่ายทุดวงกรรมฐานซึ่งนานๆจะได้มีโอกาสมาฟังกันบ้างเพื่ออุบาสุอุบาสิกาที่สนใจธรรมปฏิบัติบ้างเพื่อสาทุชนทั่วๆไปบ้างการถวายเพลิงจริงท่านเริ่มเวลาประมาณสี่ทุ่มของคืนวันที่6มีนาคม พศ2515คณะประชุมพเพลิงนั้นมีประชาชนพระเนนมาแสดงธรรมสังเวชเป็นจำนวนมากมายต่างท่านต่างมีท่าอันสงบงามตาอย่างยิ่งเรากับตังระลึกราพึงถึงพระคุณและความดีงามท่านอาจารย์พรมผู้เคยบำเพ็ญมาด้วยความกล้าหาญชาญชัยและความเสียสละทุกอย่างไม่อาลัยเสียดายและเคยประสิทธิ์ประสาธรรมแก่บรรดาสิทธ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 คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ต่อศพท่านแ่านั้นไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยทั้งนี้อาจเป็นเพราะคําโฆษณาประกาศเตือนอยู่เป็นพักก็ได้หรืออาจเป็นเพราะมันยาิของท่านผู้เห็นภัยและคุณในขณะนั้นก็ยากแก่การสันนิษฐานอาทิท่านได้กลายเป็นพระธาตุในเวลาอันสัน้นอาทิท่านที่ได้ทําการแจกจ่ายแก่ท่านที่มาในงานไปไว้เป็นที่ระลึกสักระบูชาในที่ต่างๆมีมากต่อมาก จึงไม่อาจทราบได้ว่าของท่านผู้ใดได้แปลสภาพจากเดิมหรือหาไม่ประการใดบ้างแต่เมื่อไม่นานมานี้ได้มีท่านที่ได้รับแจกอาทิตย์ท่านมาแล้วอาทิษฐา น, นได้กลายเป็นพระธาตุสององค์และได้เชิญไปให้ผูกเขียนดูที่วัดอย่างประจักษ์หลังจากนั้นก็ได้ทราบจากหนังสือพิมพ์สีสัปดาห์อีกว่าอทิตท่านได้กลายเป็นพระธาตุแล้วก็มีที่ยังไม่กลายก็มีซึ่งอยู่ในพระอบอันเดียวกันจึงทําให้เกิดความอศัศจรรย์ในคุณธรรมท่านว่า ท่านเป็นผู้บรรลุถึงแก่นธรรมโดยสมุดแล้วดังวงปฏิบัติเคยพากันคาดหมายท่านมาเป็นเวลานานแต่ท่านไม่ได้พูดออกหน้าออกตาเหมือนทั้งโลกปฏิบัติกันเพราะเป็นเรื่องของธรรมซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงสัมรวมระวังให้อยู่ในความพอดีความผ่านพ้นทุกทางใจของท่านการเวลาที่ผ่านพ้นดรงหนาฝ่าขกิเลสและกองทุกทางใจทั้งมวลไปได้นั้นท่านเล่าใหุ้ขินฟังเมื่อพศ2486ว่า ท่านผ่านไปแต่สมัยพักอยู่จังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่ทราบว่าผ่านตปกี่ปีแล้วท่านจึงได้กลับไปจังหวัดสกลนครจึงขอสรุปแต่ใจความว่าปีพศ .2485 ที่ท่านรปนจมัสสาที่วัชสุทาวาสกลนครจนถึงพศ .2513 อันเป็นปีท่านมารณภาพก็คงไม่น้อยกว่า 28-29 ปีจึงพอจับใจความได้ว่า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 คือท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านทั้งสององค์นี้เป็นองค์แรกท่านอาจารย์พรมและท่านอาจารย์ซึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นองค์ต่อมาส่วนจังหวัดอื่นๆทางภาคอีสานเช่นจังหวัดสกลนครเป็นต้นก็มีพระประเภทอาสญ า, านได้ครองธรรมบริสุทธิ์ไม่ด้อยกว่าจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนอกนั้นไม่มีใครทราบได้เท่านั้นเพราะท่านไม่เป็นนักพูดนักโฆษณาสั่งท่านต่างรู้กันอยู่ในวงเฉพาะของนักปฏิบัติเท่านั้น สถานที่นั้นหมายถึงป่าและเขาแห่งจังหวัดนั้นที่ท่านนักปฏิบัติใจอาศัยบำเพ็ญและได้บรรลุมาผลสมความมุ่งหมายอย่างเงียบๆไม่ค่อยมีใครทราบถ้าไม่นําเรื่องท่านมาเขียนไว้บ้างพอเป็นร่องรอยาศาสนธรรมก็จะปรากฏแต่ชื่อถนามส่วนตัวจริงแท้จะไม่ปรากฏจึงไม่ตัดสินใจเขียนลงในถ้ากลางแห่งกวากนามซึ่งน่าจะไม่พ้นจากความทิ่มแทงที่เกิดจากความขัดข้องสงสัยในแง่ต่างๆดังที่เคยเป็นมา การกล่าวทางนี้กล่าวด้วยความเชื่อสมรรถภาพของท่านนักปฏิบัติที่สามารถทําตนให้เป็นหลักจิตหลักธรรมอย่างมั่นคงและเชื่อถือตนได้อย่างตายใจหนึ่งกล่าวด้วยความเชื่อสวากาตธรรมที่ประทานไว้ว่าจะเป็นสวากาตธรรมอยู่อย่างตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมแห่งสมมติทั้งหลายที่แสนปริ้นต้นหลอกลวงประจำตนผู้เข้ายึดอาศัยไม่มีทางไว้ใจพอหายใจเป็นปอดตลอดมาหนึ่ง กล่าวทางภาพปฏิบัติปฏิเวทอันเป็นทางแสดงออกแห่งผลของการปฏิบัติว่าไม่เป็นโมฆะโดยเสียกำลังไปเปล่าไม่มีผลเป็นเครื่องสนองตอบแทนความเหนื่อยยากจากการปฏิบัติหนึ่งท่านอาจารย์ที่กล่าวถึงเหล่านี้เป็นอาจารย์ที่ทรงมักข้อปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างเป็นภูมิไม่มีทางท่องติและเป็นอาจารย์ที่ควรทรงผลคือวิมุตติหลุดพ้นอย่างสมเหตุสมผลตามธรรมที่ประทานไว้จริงไม่ขัดแย้งกัน ท่านที่ยังเชื่อว่าธรรมยังเป็นธรรมอยู่ท่านอาจารย์เหล่านี้ก็ควรเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลด้วยข้อปฏิบัติตามนโยบายแห่งธรรมได้อยู่ในขายแห่งปุญยเขตได้อย่างไม่แครงใจไม่ฝืนใจในการเขียนเรื่องท่านนําลงในหนังสือเล่มต่างๆและไม่แสดงใจท่านผู้อ่านทั้งหลายดังกล่าวมาที่นอกเหนือไปจากนี้ท่านผู้ใดจะคิดเห็นอย่างไรนั้นขอมอบให้เป็นสิทธิของแต่ละรายโดยไม่ขอยื้อแย่งแบ่งส่วนด้วย เพราะธรรมีบอกไว้ว่าสัตว์มีกรรมและผลกรรมเป็นของตนคนอื่นจึงไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องแย่งชิงจะผิดกับกฎแห่งกรรมข้อนี้ที่ประกาศไว้อย่างตายตัวมาแต่ดึกดําบรรทันอาจารย์องค์นี้ได้เคยพูดความขี้คลาดไม่เป็นท่าของท่านให้ผูเขนฟังโดยกล่าวถึงสมัยบวชใหม่และคราวไปพักอยู่ในภูเขาจังหวัดเชียงใหม่ว่าคราวท่านบวชใหม่ยังไม่ได้ทรรษาท่านไปที่วิเวทในภูเขาแถบอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม ขากลับจากเที่ยวท่านมาทางทางสายอำเภอนาแกที่ตรงไปจังหวัดสกนครซึ่งแต่ก่อนไม่มีถนนแม้ทางล้อทางเวียนและทางคนเดินเท้ารกรุงลังมากแทบมองไม่เห็นทางเพราะระยะทางที่ห่างจากอำเภอนาแกมาประมาณสี่กิโลเมตรเป็นป่าดงกว้างใหญ่รกชัดด้านยาวติดกับภูเขามีสัตว์เสือชุกชุมพอเรียกความหวาดกลัวจากคนที่ขลาดได้ไม่ยากเลยเพอเอิญพอท่านเดินทางมาถึงตรงนั้น ก็เป็นเวลาข้ามมื่พอดีเทียนขายก็ไม่มีเหลือติดมาเลยถ้าจะฝืนเดินทางต่อไปก็โกรธหลงทางเพราะแถบนั้นไม่มีบ้านคนทางทางก็รกชัดตีดตันปกคลมุมไปด้วยป่าไม้ทั้งหลายไม่เหมือนทุกวันนี้ซึ่งไปที่ไหนเจอแต่บ้านและผู้คนแม้ป่าดงดังกล่านี้ก็ได้กลายเป็นบ้านเรือนนาสวนไปหมดแล้วจนไม่มีซากแข่งป่าเหลือหลออยู่บ้างเลยท่านจึงตัดสินใจพักค้างคืนในดงนั้น โดยปลีกออกจากทางายเพียงเล็กน้อยแล้วก็แขวนกรดกับกิ่งไม้มือลูกคลมเก็บกวาดใบไม้แห้งแถ บ, บริเวณที่พักนั้นมารวมกันพอเป็นที่นอนได้เสร็จแล้วก็พักผ่อนและภาวนาต่อไปเวลาประมาณสารทุ่มซึ่งเป็นขณะที่ท่านกำลังนั่งทำสมาธิภาวนาอยู่ด้วยความหวาดระแวงเรื่องต่างๆขณะนั้นได้มีอีเก้งตัวหนึ่งด้อมๆเข้ามาที่บริเวณที่พักโดยไม่รู้ตัว พออีกเก้งโผล่หน้าออกมาก็มาเจอเอากรดกับมุงที่กลางและลดลงไว้อย่างมิชิดพอดีเพราะความตื่นตกใจกลัวของสัตว์ที่มีนิสัยระแวงประจำตัวตลอดเวลาอยู่แล้วก็ร้องขึ้นอย่างเต็มเสียงเก๊กคำเดียวพร้อมกับกระโดดชนป่าศีรษะโดนต้นไม้โครงครามโครงคมดังสนั่นไปท่านเองก็สะดุ้งตกใจสุดขีดจนเผลอตัวร้องออกมาว่าเอก อ, อาชเช่นกันอีกเก้งตื่นเสียงคน วิ่งหูตั้งตาถลนป่าเลิกไปในขณะเดียวกันพอได้สติท่านนึกอายความไม่เป็นท่าของตัวจนอดหกขันหัวเราะตัวเองไม่ได้ว่าพระทั้งองค์แท้ๆออกบวชด้วยความเสียสลาทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตายที่ไหนก็ยอมแล้วด้วยความปรงใจฝ่ายธรรมแต่ทำไมถึงอีกเก้งซึ่งเป็นสัตว์ตาธรรมดาไม่ใช่เสือหมีผีเปรตที่ควรจะน่ากลัวทั้งมันก็วิ่งหนีตายจนสุดขีดและร้องออกมาด้วยความกลัวเราแท้ๆ เพระาะความตกใจไร้สติแต่เราเองซึ่งเป็นคนและเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์ยังตกใจกลัวมันแทบหัวใจหยุดไหลทิ้งเปล่าๆไม่มีสติรังใจถึงกับปล่อยความตำาซมชนิดขายตัวและพระศาสนาออกมาให้มันได้ยินอย่างถนัดชัดเจนจนมันวิ่งป่าเปิงไปไม่คิดชีวิตถ้าอีเก่งตัวนี้มีความฉลาดพอทราบได้ว่าพระเป็นเพศที่เชื่อกรรมและเสียสละ ไม่ขี้คลาดฝาดกลัวเหมือนพระกรรมฐานองค์กำลังแสดงความกลัวตาอย่างสุดขีดไม่มีสติอยู่กับตัวเวลานี้มันคงนึกขบขันและกลับมาหัวร เ, หเราะเยาะเย้ยเราจนอับอายไม่มีหน้าพระเหลืออยู่เลยเป็นแน่แต่นี้มันเป็นสัตว์พอนําชีวิตผ่านไปได้ก็หมดปัญหากันไปไม่สนใจว่าใครจะเป็นคนบ้าหรือคนดีอะไรต่อไปคราวท่านพักอยู่ในภูเขาจังหวัดเชียงใหม่นั้นท่านว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ติดใจในเหตุการณ์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 จ้าหมีใหญ่ตกใจกลัวกระโดดขึ้นฝั่งคลองชันชันแล้วตกลงมากระโดดขึ้นตกลงมาตกลงมาและพยายามโดดขึ้นตกลงอยู่ถึงสี่ห้าครั้งก็ไม่สําเร็จจึงได้สติวิ่งกลับคืนทางเก่าแล้วหายไปส่วนท่านเองขณะนั้นจะว่ากลัวก็พูดไม่ถูกจะว่าไม่กลัวก็ผิดถนัดเพราะทั้งสองฝ่ายต่างตกตะลึงงงงานจนไม่มีสติร่างใจด้วยกันตลอดจนการแสดงต่อเหตุการณ์ของทั้งสองฝ่ายในขณะนั้น บ่งบอกด้วยความกลัวตาอย่างชัดเจนไม่สงสัยคือฝ่ายหนีก็กระโดดปีนขึ้นฝั่งและปีนไปด้วยความกลัวเต็มประดาฝ่ายท่านกอยืนย่ำเท้าอยู่บริเวณ น, นั้นจนพื้นที่ที่เห ย, ยเียดย่ำเหลวแหลกเป็นตมเป็นโคลนไปหมดราวกับเขาขยมดินเหนียวปั้นอิดหรือทำพาชน ะ, ะดินชนั้นพร้อมกับพูดหลุดปากออกมาโดยไม่รู้สึกตัวว่าอ้าอ้าวอ้า้ า, า, าไม่อยุบปาก พอมีใหญ่ตัวน่ารักน่าสงสารถึงใจวิ่งหนีไปแล้วท่านว่าท่านเลยเดินกลับที่พักด้วยความขบขันและสงสารหนีใหญ่ตัวแสนรู้แสนดีนั่นเป็นกําลังท่านเองไม่ทราบว่าเหงื่อหรือยางตายออกมาเวลานั้นเปียกมหาเปียกยิ่งกว่าลงอาบน้าเป็นไหนๆท่านว่าที่ท่านไม่เดินเลยไปสงน้ําแองหินที่เคยสงนั้นท่านคิดว่าบางทีมีใหญ่ตัวนั้นมันโดดและวิ่งเสียจนอ่อนเพลียแล้ว อาจไปลงนอนแช่น้ำในในแอ่งหินท่านเพื่อบรรเทาก็ได้เผื่อไปเจอกันเข้าอีกกลัวเหตุการณ์จะไม่เป็นดังที่เคยเป็นมาแล้ววันต่อไปท่านจึงไปส่งน้ําที่นั่นขณะเดินไปถึงที่ที่มีกับคนจะเอียกันจึงได้มีโอกาสตรวจดูสภาพของความกลัวตายประจําสัตว์โลกพอดูแล้วท่านว่าท่านอดหัวเราะ อ, ออกมาคนเดียวไม่ได้เพราะดูรอยหมีโดดปีนฝั่งคลองกับรอยท่านย่ํำท้าไปมานั่งราวกับรอยหมีสิบตัว และรอยพระกรรมฐานสิบองค์เล่นกีฬากันบริเวณนั่นแหลกเป็นตมเป็นโคลนไปหมดไม่มีชิ้นดีเลยดูแล้วทำให้หวาดเสียวและสงสารหนีเป็นอารมณ์เครื่องระลึกเตือนใจอยู่จนกระทั่งวันท่านจากไปเพราะขณะที่พักอยู่ท่านลงไปส่งน้าทุกวันและเห็นรอยคนละสัตว์แสดงความกลัว่ายทุกวันตามธรรมดาสันนี้โดยมากเมื่อเจอกันซึ่งซึ่งหน้า มันมักจะโดดมาตะปบและกัดคนให้เจ็บและเสียท่าก่อนแล้วจึงจะโดดหนีไปการเจอคนระหว่างหมีกับเสือหมีร้ายกว่าเสือต้องกัดคนก่อนแล้วจึงจะโดดหนีไปเสือถ้าทุกยิงเจ็บร้ายกว่าหมีฉะนั้นท่านจึงนึกหวาดกลัวในเหตุการณ์อยู่ไม่วายแม้ไม่เป็นอันตรายที่ได้พยายามตะเกตยกตะกายเขียนปฏิบัติพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นมาก็รู้สึกว่าเป็นภาระอันหนักสําหรับผู้เขียนอยู่มาก แต่ความหนักนี้ก็ยังเป็นรองการเขียนประวัติท่านพระอาจารย์มั่นจึงพอมีเวลาหายใจได้บ้างแม้จะเป็นภาระหนักในการเขียนแต่ก็ได้พยายามจนสุดกําลังความสามารถเรื่อยมาดังท่านผู้อ่านทั้งหลายได้เห็นได้อ่านอยู่เวลานี้ผิดถูกดีชั่วประการใดจําต้องยอมรับคําติชมโดยไม่มีข้อแก้ตัวเพราะสุดกําลังจริงๆทั้งสองเรื่องพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นนั้นมีมากน่าจะรุ่นหัวปี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 บานท่านเคยต่อว่าให้บุเขียนบ้างเหมือนกันซึ่งก็เห็นด้วยท่านและยอมรับไม่ฝ่าฝืนคราวนี้จึงได้ระงรับการระบุนามท่านเสียเหลือแต่ปฏิปทาคือข้อปฏิบัติซึ่งนำมาลงอยู่เวลานี้การปฏิบัติของแต่ละองค์มีความหนักเบาไปในแง่แห่งธรรมต่างๆกันองค์ที่หนักไปในแง่ใดเช่นอดนอนพอนอาหารเป็นต้นท่านก็เร่งดําเนินทางนั้นโดยสม่ำเสมอจนเห็นผลประจักษ์ใจโดยลําดับไม่มีการท้อถอยอ่อนแอ แต่ผลที่ได้รับจากวิธีนั้นๆย่อมเป็นความสงบสุขทางจิตใจและเกิดสติปัญญายเป็นขั้นๆซึ่งเป็นธรรมเครื่องหนุนจิตให้ถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงสำคัญที่จริตนิสัยกับบทธรรมที่นำมากํำกับเป็นคำบริกรรมภาวนาไปตามขั้นเป็นเรยๆยไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์พวกใหการอบรมช่งสอนนักที่จะชี้ขาดลงแต่ผู้เดียว แล้วมอบทำบทเดียวบาทเดียวกันแก่คณะศิษย์เป็นจำนวนมากไปปฏิบัติภาวนาโดยไม่คำนึงจริตนิสัยของศิษย์เป็นเรา ย, ายไปเพราะจะทำให้ขาดต่อจริตของศิษย์รายที่ไม่ถูกทำบทนั้นบาทนั้นแล้วจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรอาจารย์เป็นเพียงคอยแนะแนวทางให้หลังจากอธิบายทำหลายบทหลายหมวดให้ฟังและผู้มาศึกษาอบรมเลือกนาไปปฏิบัติจนปรากฏผลมาเล่าให้ฟัง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 ที่สามารถฉลาดรู้ได้ในธรรมดังกล่าวนี้รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาเป็นไห น, ไหนเพียงจะปฏิบัติตนให้รู้ถึงเหตุถึงผลของกิเลสที่เกิดมีอยู่กับใจของแต่ละรายจนสามารถถ่อถอนออกได้ประจักใจแล้วนํามาสั่งสอนคนอื่นด้วยความถูกต้องแม่นยําก็ยังหายากจนแทบจะกล่าวตูวพระพุทธศาสนาว่าเป็นโมฆะหาสาระมิท่าอยู่แล้วทั้งที่พุทธศาสนา เป็นสถาบันรับรองมรรคผลิพานมาแต่องค์พระศ า, าสดาแรกเริ่มตรัสรูตลอดมาจนปัจจุบันวันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ในบรรดาพุทธบริษัทจะมีใครบ้างหรือไม่ที่ทรงไว้ซึ่งวรกิจตวิชาสามารถรู้อุปนิสัยและวรกิจของผู้อื่นพอจะกล้ายืนยันสั่งสอนด้วยทำเพียงบทเดียวบาทเดียวโดยข้อยืนยันทางภายในของตนและทําให้บรรดาสิทธิจํานวนมากมายได้รับผลเป็นที่พึงใจไปโดยลําดับ จนสามารถบรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยไม่มีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงธรรมไปตามภูมิจิตภูมิธรรมและความเปลี่ยนแปลงของกิเลสอาสวะซึ่งเป็นไปด้วยความสลับซับซ้อนยิ่งกว่าตามรอยโคในข้องเป็น 150, ร้อยเท่าพันตรีนอกจากจะสั่งสอนด้วยพระการในฐานะที่เขายกย่องว่าเป็นอาจารย์มากกว่าความมีคุณธรรมภาคปฏิบัติภายในใจผู้เขียนจึงไม่แน่ใจนักเลยในการสั่งสอนด้วยธรรมบทเดียวบาทเดียวเพราะตัวเองก็เป็น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 คือใครมาหาเพื่อรับการอบรมก็สอนแต่ทำบทเดียวบาทเดียวด่าไปเลยเรากับศาสนามีทำสอนโลกเพียงเท่านั้นทั้งที่ศาสนาและสาวกทั้งมวลมีได้สําเร็จจากทำบทเดียวบาทเดียวแต่สําเร็จด้วยทำแง่ต่างๆกี่ร้อยกี่พันในและทรงสั่งสอนและสั่งสอนโลกด้วยธรรมที่นับพอประมาณที่สัตว์โลกจะพึงรับได้แต่รู้สึกน้อยมากสําหรับความรู้ความฉลาดแห่งภูมิของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมศาสดาของโลก การปฏิบัติและอุบายแห่งการสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นหนังสือนี้จวนจะสิ้นสุดจึงขอนาวิธีที่ท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติทางจิตตภาวนาและอุบายวิธีสั่งสอนลูกศิษย์ผู้เข้าไปรับการอบรมกับท่านมาลงไว้พอเป็นแนวทางเล็กน้อยคล้ายทํานองสรุปความแต่จะเขียนปฏิบัตาิการดําเนินของท่านโดยเฉพาะก่อนจึงจะเขียนวิธีการที่ท่านสั่งสอนสานุวิสิ์ในวาระต่อไป การเขียนคราวนี้จะไม่ระบุ ก, การสถานที่ที่ท่านบำเพ็ญและได้รับผลนั้ น, น, นลงอีกเพราะเคยเขียนลงแล้วในเล่มประวัติท่านจะเขียนเฉพาะวิธีปฏิบัติจิตตะภาวนาของท่านอย่างเดียวเรื่องภายนอกเช่นเปรตผีเทวบุตรเทวดาหน้าครุฑอะไรๆจะไม่เกี่ยวข้องอีกดังที่เคยเขียนมาแล้วจิตท่านพระอาจารย์มั่นเป็นจิตที่พาผนและรวดเร็วต่อเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องมากผิดธรรมดา การภาวนาเบื้องต้นท่านใช้พุโทโธเป็นบทบริกรรมพอจิตสงบรวมลงแล้วปรากฏภาพนิมิตซึ่งเป็นองค์ท่านเองออกไปตาอยู่ต่อหน้าบ้างเป็นซาผีมาตาอยู่ต่อหน้าบ้างดังที่เคยเขียนผ่านมาแล้วในประวัติท่านท่านจึงกำหนดนิมิตที่ปรากฏ น, นั้นเป็นองค์พยานแห่งการภาวนาต่อไปโดยกำหนดเป็นของปฏิกูลด้วยวิธีต่างๆ ต, ตามแต่ความแยบคายของสติปัญญาจะหนักไในทางใด กำหนดให้แตกสลายลงไปเหลือแต่โครงกระดูกล้วนๆบ้างกำหนดให้โครงกระดูกหลุด จ, จากการตกเรียราดอยู่เฉพาะหน้าบ้านกำหนดเก็บกวาดกระดูกนั้นๆนมารวมกันเป็นกองเดียวแล้วกำหนดไฟเผาจนกลายเป็นเท่าฐานลงในขณะนั้นบ้างทั้งซากผีตายและซากองค์ท่านตายเป็นภาพนิมิตอยู่เฉพาะหน้าท่านกำหนดโดยวิธีเดียวกันเป็นแต่ต่างวารคกันไปตามความสะดวกของการพิจารณาในเวลานั้นๆเท่านั้น หลังจากกำหนดไฟเผากระดูกจนละเอียดเป็นเท่าฐานไปแล้วจิตท่านรวมลงถึงฐานแห่งสมาธิอย่างเต็มภูมิและพักอยู่นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงจึงถอนขึ้นมาพอจิตถอนขึ้นมาแล้วก็กำหนดต่อไปท่านว่านับแต่วันที่จิตปรากฏภาพมิดและกำหนดให้เป็นต่างๆได้ตามต้องการตลอดการเผาผลาญซากนั้ น, น, นลงได้ประจักษ์ใจทุกเวลาที่ตรงการแล้วไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนหรืออยู่ในท่าใดๆ ท่านกาหนดเอาสางศพที่กําหนดให้เป็นโครงกระดูกติดแนบอยู่กับตัวท่านทุกเวลาไปเว้นเฉพาะเวลาพิจารณาสากศพนั้นด้วยวิธีต่างๆแล้วจิตรวมลงเป็นสมาธิพักอยู่โดยลําพังจึงไม่สนใจกับอะไรในขณะนั้นกําลังจิตท่านเริ่มก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดและได้หลักสมาธิมันคงก่อเพราะได้นิมิตเป็นหินรับสติปัญญาอยู่โดยสม่ําเสมอจนสามารถน้อมโครงกระดูกแห่งนิมิตภาพให้เข้าอยู่กับตัว ตัวกับโครงกระดูกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนปราศจากความสงสัยว่าโครงกระดูกนี้เป็นมาจากไหนใครมาเป็นโครงกระดูกนี้แล้วท่านจึงปล่อยการกําหนดโดยลักษณะมั่งเสียเพราะเมื่อภาพนิมิตกลับมาเป็นองค์ท่านสีเองแล้วการสรงจิตไปกําหนดภาพภายนอกจึงไม่จําเป็นนับแต่ขณะนั้นมาจากนั้นท่านกําหนดถือเอากายท่านเป็นที่ตั้งแห่งการพิจารณาตามแต่ความถนัดและความแยกคลายของสติปัญญา จะพิจารณากายให้เป็นไปในลักษณะใดก็กาหนดเอาตามต้องการตอนนี้ท่านว่าสมาธิรู้สึกแน่นหนามั่นคงมากเพราะอาศัยการพิจารณากายด้วยปัญญาจนจิตพักรวมลงเป็นสมาธิได้อย่างง่ายได้คำบริกรรมภาวนาพุทโธ ท, ที่เคยกำกับจิตมาดั้งเดิมก็เริ่มปลอยวางนับแต่วันปรากฏภาพนิมิตนั้นโดยชัดเจนแล้วท่านยึดนิมิตกับคาบริกรรมว่าอัตถิอัตถิเป็นอารมณ์ของใจแทนพุทโธ มีแต่การกำหนดและพิจารณาโดยความตั้งขึ้นแปลสภาพไปแต่ไปแห่งกายอยู่ทุกอิริยาบถเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นจนร่างกายท่านเองแม้มีอยู่ก็ได้กลายเป็นอากาศธาตุไปด้วยการพิจารณาจิตว่างเปล่าจากวัตถุมีกายเป็นต้นพราะมหนาแห่งสติปัญญาที่พิจารณาไม่ลดลาปล่อยวางสมาธิทุกขั้นก็ทำนานวิปัสนาขั้นรูปธรรมก็ำนานและรวดเร็วทันใจ ท่านว่าวิปัสสนาขั้นนี้ทําจิตให้สว่างสวยมากมาาอัศจรรย์ถ้าเป็นความสัเแต้วคอยหาแต่ความสุขสบายไม่ตระหนักในปัญญาคงจะติดจมอยู่กับความว่างเปล่านี้โดยไม่รู้ตัวด้วยความเข้าใจว่านิพพานอย่างแน่นอนเพราะความเคยได้ยินจนฝังใจว่านิพพานคือความว่างเปล่านั่นเองแต่หาทราบไม่ว่านิพพานนั้นว่างเปล่านในลักษณะใดเฉพาะความว่างเปล่าที่ปรากฏอยู่ขณะนี้ มีอะไรแฝงอยู่บ้างนั่นคือตัวกิเลสส่วนลึกลับของใจเราดีๆนี่เองจะเป็นความว่างแห่งนิพพานมาแต่ที่ไหนกันแต่ก่อนจะผ่านรูปธรรมคือกายทั้งภายในภายนอกไปได้ด้วยการพิจารณาโดยวิธีต่างๆสติปัญญาต้องหมุนตัวอยู่กับกายแทบทุกเวลานอกจากกิจผู้ทำการขุดค้นจนอ่อนเพลียเพราะการทางานมากไปก็เข้าพักสงบในสมาธิเสียชั่วระยะหนึ่งพอถอนออกมาและมีกาลังแล้ว ก่อทำการพิจารณาคลี่คลายร่างกายอีกต่อไปโดยถือหลักไตรลักษณ์เป็นทางเดินเพราะกลายเป็นสิ่งสําคัญในวงปฏิบัติผู้พิจารณากายได้ละเอียดคล่องแคล่วเพียงไรย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญต่อปฏิปทาเครื่องดําเนินของตนเพียงนั้นเนื่องจากกายเป็นโรงรางของราคะตัณหามานะทิฐิส่วนห ย, ยาบๆทั้งหลายที่อาศัยอยู่อย่างเปิดเผยและออกหน้าออกตาบางรายถึงกับลืมตัวปล่อยให้แสดงออกมาอย่างหยาบโลน แม้ผู้มีกิเลสด้วยการก็ทนดูไม่ได้จนเกิดความสลดสังเวชเอื่อมระอาเปา็นต่างๆกันด้วยเหตุดังกล่าวมานักปฏิบัติผู้มุ่งทําลายกิเลสด้วยใจจริงจําต้องสนใจต่อกลายวิภาคจนเกิดความชํชนานิชํานาญและตัดราคตัญหาไปได้ประจักษ์ใจเป็นทอดๆเพราะกิเลสมาณทิฏฐิประเภทแสลงแพงใจตนและผู้อื่นมากกว่ากิเลสชนิดอื่นๆ น, นั้นมักเป็นกิเลสปากคอกที่คอแสดงออกอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาศัยอุปาทานความยึดถือกายเป็นสำคัญท่านจึงสอนให้พิจารณากายคตาสติในสติปัฏฐานสี่และอริยสัจสีอันเป็นธรรมสำคัญในวงศาสนาให้มากจนหายสงสัยแล้วผ่านไปอย่างหมดเยื่อใ่ท่านอาจารย์มั่นท่านจำนานคล่องแคล่วในกายานุปัสนาสติปัฏฐานมากท่านจึงแตกฉานในธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกผิดกับนักปฏิบัติทั้งหลายท่านว่าขณะที่ท่านผ่าน กายยัตาเปกไปได้แล้วการมาราคะกหมดปัญหาไปในขณะเดียวกันโดยไม่จําต้องถามใครให้เสียเวลาและแสดงความงโง่ห ง, งายของตนให้ผู้อื่นคุรรอบเปล่าเปล่าเราเป็นของมีอยู่กับตัวและสิ้นไปจากตัวคนเดียวกันด้วยความรอบครอบแห่งสติปัญญาขั้นนี้เพียงขั้นราคะตัณหาตายหายซากระจากใจก็เป็นอยู่สบายทรงตัวได้ไม่เดือดร้อนเพราะราคะตัณหาประเภทกินไม่รู้จักอิ่มพอม รบกรวนกวนใจกระสิบยุแยแผลอำนาจบนหัวใจทำให้เป็นคนขี้ขลาดหวาดกลัวท้อแท้อ่อนแอต่อทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานที่มีอยู่ในวงสัจธรรมและสติปัฏฐานอันผู้ปฏิบัติจะพึงบรรลุได้ด้วยความเพียรก่อนกายจะหมดปัญหาในการพิจารณาท่านว่ากายที่เราพิจารณาด้วยวิธีต่างๆนั้นได้รวมตัวเข้าสู่ใจดวงเดียว สังขารทั้งฝ่ายสมุทัยที่คิดว่าร่างกายเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจมาดั่งเดิมและสังขารซึ่งเป็นฝ่ายมากที่คิดปรุงว่าร่างกายเป็นปฏิกูลน่าเกลียดเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาย่อมระ ง, งับตัวลงในขณะเดียวกันกับร่างกายภาพที่รวมตัวเข้าสู่ใจสุภาความสวยงามและอสุภาพความไม่สวยงามจึงแยกตัวออก ปล่อยเป็นทางเดินของใจที่ก้าวผ่านไปในระหว่างแห่งธรรทั้งสองนั้นอย่างหมดเยื่อใยไม่มีนิมิตใ ด, ดติดตามไปหลอกลวงว่าสวยงามและน่าเกลียดอีกต่อไปพิจารณาทีรายก็เห็นแต่จิตเป็นผู้แสดงกิริยาเป็นภาพอยู่ภายในแล้วกระดับไปอยู่เพียงเท่านั้นจากนั้นก็เป็นจิตว่างเปล่าจากวัตถุต่างๆทั้งร่างกายที่มีอยู่กับตัวและวัตถุต่างๆภายนอกที่มีอยู่ทั่วไปไม่มีอะไรเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าเป็นสุภาและอสุภาอีก ดังที่เคยเป็นมามีแต่ความสว่างสวยและเป็นจิตว่างจากสิ่งทั้งหลายอยู่ทั้งดวงและหมุนตัวอยู่ด้วยความไข่ครวนโดยสติปัญญาเป็นเครื่องจากผู้พาเดินลาดับต่อไปสิ่งที่เป็นเป้าหมายแห่งสติปัญญาที่จะทําหน้าที่ต่อไปก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นธรรมที่เกิดกับดับพร้อมอยู่อยู่กับใจและอวิชชาซึ่งเป็นตัวเดิมแห่งกิเลสทั้งหลาย การพิจารณาปัจจัยาการของท่านพระอาจารย์มัน่นท่านว่าปัจจัยาการมีแยกเป็นสองในคือที่แสดงไว้นในตำรานั้นท่านแสดงเป็นความเกี่ยวโยงแห่งความเจริญของอวิชชาหนึ่งแสดงความดับไปโดยลำดับแห่งอวิชชาจนไม่เหลือหลอหนึ่งถ้าเทียบก็เหมือนแบบแปลนแผนถังของบ้านเรือนที่ผู้จะปลูกบ้านสร้างอาคารใดๆจำต้องทำตามแปลนที่ในช่างทำเป็นแบบไปแล้วจนสำเร็จรูปเป็นบ้านเรือนขึ้นมา แม่การรื้อถอนบ้านเรือนจะไม่มีแปลนบอกไว้เหมือนวิธีการดับอวิชชาควาตามแต่ผู้รื้อถอนก็ย่อมคํานึงถึงวิธีการรื้อถอนด้วยสติปัญญาอันเป็นธรรมคู่ควรแก่เหตุผลด้วยดีก่อนทําการอาวิชชาในตําราเป็นเพียงความบอกเล่าว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณจนถึงสัมพวันติเป็นฝ่ายสมุทัยล้วนและการดับอวิชชาเพียงอันเดียว สังขารปิ ญ, ญานนามรูปและอื่นๆย่อมดับไปตามๆกันไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่พอจะเป็นเชื้อแห่งภพชาติต่อไปอันเป็นฝ่ายนินโรธดังบทสุดท้ายแห่งอวิชาว่านิโรชันติทั้งฝ่ายส่งเสริมอวิชชาให้ติต่อก่อขแขนงกลายเป็นภพชา ต, เ ต, เติเป็นสัตว์เป็นบุคคลเกณถึงความชราข่าคล้าและสลายไปในที่สุดทั้งฝ่ายบํารบปราบปรามอาวิชชาให้สิ้นไปจากใจหมดการ ต่อพบต่อชาติดังท่านที่ทําพระนิพพานให้แจ้งโดยการดับอวิชามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทั้งสองไหนนี้ท่านแสดงเรื่องหรือโครงรางกความเป็นไปของอวิชชาและการดับอวิชชาไว้ทำนั้นมีได้แสดงวิธีส่งเสริมอวิชชาว่าทําอย่างไรอวิชชาจึงมีกําลังกําเริบถึงกับพาสัตย์ให้เกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดไว้และมีได้แสดงวิธีการระงับดับอวิชชาว่าทําอย่างไร อวิชาจึงถูกตัดกำลังลงโดยลำดับจนดับไปจากใจโดยสิ้นเชิงไม่สามารถทำใจที่อวิชาไฟตราดแล้วให้เกิดตายต่อไปอีกได้ในปัจจิยาการที่แสดงไว้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านว่าผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดอวิชาให้สิ้นไปจำต้องยึดอริยสัจสี่หรือสติปัฏฐานสี่อันเป็นที่รวมแห่งอวิชาเป็นทางดำเนินท่านเองว่าเมื่อจิตก้าวขึ้นสู่ความว่างเปล่าจากรูปธรรมทั้งหลายแล้ว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 ย่อมคำเริ่มปรุงแรงไปไม่ได้การตามรู้สังขารวิญญาณว่าพรุงเรื่องอะไรรับทราบเรื่องอะไรเพียงเท่านั้นยังไม่สา ก, กับใจที่มีสติปัญญาอัตโนมัติเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอตัวยังสามารถขุดค้นลงถึงต้นตอที่เกิดแห่งสังขารและวิญญาณอีกว่าเกิดมาจากที่ไหนอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตัวที่ผลักดันนี้คือตัวอวิชชาแท้ การพิจารณาอาวิชชาเพื่อถอนร่างถอนคนจริงๆจึงอยู่ที่ตรงนี้คือขุดค้นลงที่ใจอันเป็นเรือนรางของอวิชชาฝังจมอยู่นั่นแหลจึงเห็นตัวอวิชชาแตกกระจายสลายตัวลงในขณะที่มหาสติมหาปัญญาเข้าถึงตัวนี่คือการพิจารณาอาวิชชาแท้และคือวิธีการถอดถอนอวิชชาออกจากใจตามทางมรรคทางผลที่พระาศาสดาทรงสั่งสอนไว้แท้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 ทำนองกิเลสบาปทาทั้งหลายอยู่ในจาลาแล้วก็มาถกเถียงกันแทนการแก้กิเลสสิ่งที่ได้รับจึงมักมีแต่ลมปากไม่มีเนื้อมีหนังติดมือมาบ้างเลยถ้าเป็นทำนองนี้เรียนมากเท่าไรรู้มากเท่าไรขึ้นเวทีโตเถียงจัดเจนเพียงไรก็ยิงเหลวไปเพียงนั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของปรักตามทางาศาสนาและาศาสนธรรมเลยอวิชชาตัหาจริงๆมันอยู่ที่ใจสร้างโครงร่างขึ้นที่ใจคนใจสัตว์ และทําการระงับดับลงที่ใจเรานี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและสร้างโครงร่างตลอดความดับของอวิชชาตันหาทั้งมวลขณะอวิชชาดับลงอย่างราบคาบแล้วนั่นแลจึงเห็นความโง่ความหลงงมงายของตัวของมนุษย์และของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใต้อำนาจแห่งความบังคับทรมานของมันว่าแสนโง่แสนนาบาปตลอดกาแลแม้จะมีความสุขบ้างก็โชขณะราวฟ้าลแลบเท่านั้นแต่สัตว์โลกก็หลงพอใจกันได้อยู่กันอย่างเพลิดเพลิน ไม่คิดถึงภายว่าจะมีแก่ตัวหนักเบามากน้อยเพียงไรคนคนเดียวกันจิตดวงเดียวกันเมื่อถูกขัดเกลาร่วดีจนเต็มภูมิแล้วจ่อมผิดกันอยู่มากยิ่งกว่าฟ้ากับดินจิตที่พ้นจากอำนาจอาวิชชานั้นเป็นจิตที่ไม่อยู่ในขอบเขตแห่งข้อบังคับของสิ่งใดในโลกสมมติเป็นจิตที่ทรงอิสระสุดส่วนเกินความคาดหมายที่จะรุนเดาได้ถูกนั่นแหลที่ท่านเรียกว่าแดนแห่งความกระเสงสําราญ เป็นภูมิของท่านผู้ทรงอำนาจเหนือสมมุติทรงไว้และสวยกันถ้าอยากรู้อยากเห็นก็อย่าพากันขี้เกียจอันเป็นเหยื่อล่อของกิเลสตัณหาอาวิชชาทั้งมวลเราเป็นภิกษุบริษัทที่พร้อมแล้วทุกอย่างจงพากันตื่นตัวอย่ามัวเอากิเลสออกออกอวดกันด้วยอากัปกิริยาที่ขัดต่อธรรมเครื่องนําออกจากกองทุกจะเสียชาติที่เกิดซึ่งเป็นภาชนะที่เหมาะเหมาะแก่สาสนาธรรมอยู่แล้ว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 กิริยาท่าทางต้องแสดงความเข้มข้นออกมาตามทมขั้นนั้นจนผู้ฟังที่ยังไม่เคยชินต่อนิสัยท่านต้องตกใจกลัวในเวลานั้นโดยคิดว่าท่านดุดาเขี้ยนตีด้วยวาทะความจริงเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นพลังสามารถยังกิริยาท่านให้แสดงออกในลักษณะนั้นต่างหากพอแสดงคำจบลงกิริยาก็เป็นปกติทันทีเราก็ไม่เคยแสดงอย่างนั้นมาก่อนเลยบางครั้งยังมีความขบขัน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 เวลาโน้นฝึกมโนกรรมเวลานั้นออกกำลังด้วยท่าต่างๆดังที่โลกฝึกทำกันแต่ท่านถือทรรวินัยที่เป็นหลักตายตัวอยู่แล้วเป็นแบบฝึกขัดอบรมสารวสิธิแล้วแต่ท่านผู้ใดชอบทำบทใดก็นำทำบทนั้นไปปฏิบัติตามอัธยาศัยใครมาเรียนถามตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏจากจิตภาวนาของตนท่านก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนๆและเป็นเรไรไปโดยไม่อัดไม่อันในการสงเคราะห์ด้วยอัตธรรมภายในใจ นอกจากไม่มีผู้มาศึกษาเมื่อถึงวันประชุมอบรมพระเนนท่านแสดงธรรมทางภาคปฏิบัติเป็นกลางๆเริ่มแต่ทำขั้นตำ่ำคือวิธีฝึกอบรมสมาธิขึ้นไปโดยลำดับเพื่อผู้ฟังที่มีภูมิต่างกันจะได้รับประโยชน์จากการอบรมโดยทั่วถึงการถามปัญหาก็ไม่มีจำกัดตามแต่ผู้มาอบรมจะมีทำข้อข้องใจสงสัยในแง่ใดโดยไม่นิยมว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับภายนอก เช่นเปรตผีเทวบุตรเทวดาเป็นต้นหรือภายในเกี่ยวกับสมาธิหรือปัญญาขั้นใดท่านย่อมชี้แจงให้ฟังเป็นเรื่องเรื่องและเป็นเรื่อยไปตามโอกาสที่ควรผู้เขียนจึงรู้สึกเสียดายที่ท่านผู้อ่านทั้งหลายไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดสนินดว์ท่านเมื่อเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่จะได้พบเห็นท่านประจักษ์ตาและฟังธรรมท่านย่างถึงใจหายสงสัยไม่ต้องมาลังเลคาดเดาภาพ และกิริยาอาการท่านในลักษณะต่างๆดังที่เป็นอยู่เวลานี้เพราะคนเราโดยมากมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันและมีเหตุผลเป็นที่รับฟังและยินยอมเมื่อได้ฟังธรรมท่านทั้งภายในภายนอกที่เต็มไปด้วยเหตุผลและน่าฟังเชื่อถือย่อมจะไม่มีท่านผู้ใดกล้าฝืนใจไปเชื่อความค า, าดคะเนดลเดาวที่ไม่มีเหตุผลแฝงอยู่บ้างเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่จริงตามใจชอบอย่างเลื่อนลอยเพราะท่านอาจารย์มั่น ท่านปฏิบัติด้วยเหตุผลล้วนๆเสมอมาแม้เวลารู้ก็น่าจะรู้ด้วยเหตุผลที่ควรจะรู้ด้วยหลักปฏิบัติทางใจการระบายความรู้ น, นั้นออกมาจึงมีเหตุผลตามมาด้วยเสมอไม่เคยเห็นท่านพูดออกมาอย่างลอยๆเลยท่านผู้ไปศึกษาอบรมจากท่านจึงมากเชื่อท่านอย่างฝว้งใจในทำทุกประเภทแม้ตนยังไม่รู้เนื่องจากทำนั้นมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้ สำหรับผู้เขียนไม่อาจยกยอตนว่าเก่งว่าดีในแง่ ใ, ใดๆเลยนอกจากจะ ก, กล้าตำหนิตนอย่างไม่สะทกสะทานมาเป็นประจำเพราะสิ่งที่ควรตำหนินั้นมีอยู่ในหัวใจแทบล้นฝังก็ว่าได้สิ่งนั้นคือทิฏฐิมานะที่ไม่ยอมลงใครเอ า, อาง่ายถ้าไมา่ได้ต่อสู้จนสุดกำลังทิฏฐิที่มีอยู่เสียก่อนเมื่อเห็นท่าจะสู้ไม่ได้จริงถึงไม่ยอมลงเพราะหมดคันทางต่อสู้สําหรับท่านอาจารย์มั่นที่ผู้เขียนเคารพเทอทูลอยู่เวลานี้ ก่อนน้าจะก้มลงกราบแบบบุคคลผู้สิ้นท่าก็ได้เห็นได้ฟังท่านมานานพอสมควรแต่ได้ทอสู้ท่านตามนิสัยคนที่มีทิฐิจักจนบางครั้งราวกับวัดจะแตกพระเนินจะร้างวัดเมื่อได้ยินเสียงจิ้งหรี ก, กับพญาราชสีโตวาทีกันบนกุลีท่านอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยเหตุผลที่ตนเข้าใจว่าถูกซึ่งสุดท้ายผู้เขียนที่เทียบกับจิ้งหรีที่หมดฤทธิ์อ้อมกราบและยอมตนเป็นที่เช็ดเท้า ให้ท่านดูดาเขี่ตีตามอัธยาศัยหากท่านผู้อ่านได้เห็นท่านแสดงออกทางมารยาทในอรยาบทต่างๆและได้ฟังสำเนียงการแสดงธรรมอบรมราวกับรชาชสีที่กังวาลด้วยอัจฉริยธรรมในแง่ต่างๆก็น่าจะมีความรู้สึกอัศจรรย์ภายในใจเช่นเดียวกับท่านที่เคยฟังมาแล้วจำนวนมากคงไม่สงสัยวิภาควิจารณ์นิมิตภาพและอากัปกิริยาตลอดความรู้ธรรมแง่ต่างๆของท่านให้เป็นการกังวลใจ ท่านที่ประสงค์อยากทราบปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านโดยสังเกตที่ผู้เขียนมิได้อธิบายไว้โดยกว้างกวางละเอิละออ ท, ทั้งขั้นต่ำขั้นกลางและขั้นสูงก็กรุณาอ่านตามเรื่องท่านทีนท่นำมาลงนี้คิดว่าจะพอเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติสําหรับท่านที่สนใจได้พอสมควรถ้าจะลงให้พิสดารมากไปก็เกรงจะฟั่นเฟือเหลือกําลังจะคิดค้นและปฏิบัติตามได้เนื่องจากความรู้ทางสมาธิปดี ทางปัญญาก็ดีความวิมุตติหลุดพ้นก็ดีของท่านรู้สึกว่ากว้างกว้างพิสดารเกินกว่าภูมิของเราทั้งหลายจะสามารถติดตามท่านได้ทุกแง่ทุก ม, มุมจึงควรยุติปฏิปทาท่านไว้แค่กําลังของผู้เขียนเพียงเท่านี้ผิดถูกประการใดหวังว่าคงได้รับความกรุณาอภัยจากท่านผู้อ่านโดยทั่วกันประมวลปฏิปทาพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น การนําปฏิบัติของพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นมาลงมากท่านด้วยกันโดยสมน้ำนามท่านไว้เรื่องของบางท่านก็ยืดยาวพอควรแต่ของบางท่านพอสั้นโดยตัดเอาเฉพาะที่จําเป็นมาลงโดยมี้จะขออนุญาตจากท่านก่อนจึงขออภัยโทษโปรดเมตตาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายตลอดท่านนักปฏิบัติด้วยกันที่ได้นําปฏิบัติมาลงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจและอนุชนรุ่นหลัง แต่ยึดเป็นร่องรอยปฏิบัติตามกลายเป็นประโยชน์แก่หมู่ชนไม่มีสิ้นสุดดังเราทั้งหลายที่ได้อาศัยบรรพบุรุษและครูอาจารย์พาดนเนินมาจนถึงสมัยปัจจุบันจึงพอมีหูมีตาอ้าปากได้บานไม่ง่เข่าเฝ้าร่างแห่งมนุษย์ผู้ควรฉลาดอยู่ปเปล่าๆยังพอมีสติปัญญาเอาตัวรอดได้ทั้งทางโลกและทางธรรมดังนั้นการนาปฏิปทาท่านมาลงเพื่อเป็นร่องรอยแห่งการปฏิบัติ จึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนพระเนรออยู่บ้างดังกล่าวมาปฏิปธานี้เป็นที่ถูกจดจิตใจท่านผู้ใดในอนใดกรุณายึดไปปฏิบตัติเพื่อกําจัดสิ่งรกรุงรังภายในใจของเราให้เบาบางลงบ้างส่วนมากก็คือความเห็นแก่ตัวตามนโยบายของกิเลสที่มาพาคนให้เกียตครั้นในการงานที่ชอบและเป็นประโยชน์ในทางสงบสุขไม่กระทบกระทืนตนและผู้อื่นนั่นแหลเป็นงานที่กิเลสพาให้ขัดขืนไม่อยากให้ทํา แต่ที่ไม่เกิดประโยชน์โดยชอบธรำและเป็นความเสียหายทั้งแก่ตัและผู้อื่นนั้นมากชอบอยุเราให้ทําอยู่เสมอทําได้มากเท่าไรยิ่งดีมันชอบและชมเชยส่งเสริมมาดีทั้งที่ตนและโลกได้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนและติเตียนเพราะงานนั้นไม่ถูกไม่ดีคนเราเมื่อมีทำในใจยอยู่บ้างย่อมมีทางสร้างความผิดถูกของตัวได้และมีการระมัดระวังไม่กล้าเอาตนเข้าไปเสี่ยงกับสิ่งไม่ดีและเป็นโทษทั้งหลาย ฉะนั้นม น, มนุษย์เราจึงดีเพราะธทำเพราะความประพฤติมีคุณค่าเพราะความประพฤติสัตว์มีคุณค่าเพราะเนื้อเพราะหนังอวัยวะและกำลังงานของมันสัตว์ตัวหนึ่งหนึ่งตายลงไปเนื้อหนังมังสังตลอดอวัยวะต่างๆของมันเป็นเงินเป็นทองจนกลายเป็นสินค้าซื้อขายกันทั่วโลกให้คนละสัตว์ได้อาศัยมีความสุขเป็นชีวิตจิตใจตลอดมาส่วนคนตายแล้วไม่มีอะไรเกิดประโยชน์นอกจากรูผีกันเท่านั้น ยิ่งเวลามีชีวิตอยู่สนุกทําตัวให้เหมือนคลุงไปด้วยความประพฤติที่เชื้อเฉืลนสมบัติและหัวใจมนุษย์ด้วยกันให้ฉบหายวายปวงทําให้คนเกลียดกลัวกันมากมายเวลาตายไม่มีใครมามองหน้าศพนี่หนําเขายิ่งอยากให้ตายวันละกี่รอยกี่พันคนแผ่นดินจะได้สูงขึ้นบ้างไม่นักมากเกินไปแทบจะสุดหรือถลม่มเพราะคนชนิดที่มีความหนักหน่วงเกินกว่าธรรมดาการทําตัวให้ดีด้วยความรู้ความประพฤติ หน้าที่การงานที่สะอาดปราศจากโทษเท่านั้นจะเป็นเครื่องส่งเสริมคุณค่าเกียรติยศชื่อเสียงให้คนเป็นคนสมบูรณ์แบบและส่งคุณค่าอันสูงส่งไม่มีประมาณไว้ได้ชาวโลกเคารพนับถือไม่มีใครรังเกียจเกียรติยศชื่อเสียงก็หอมหวนทวนลมใครอยู่ที่ใดก็อยากชมบุญยาบรารมีเวลาตายก็สลายไปเพียงรูปร่างส่วนคุณงามความดีทั้งหลายยังฟุงขจรอยู่ในโลกมิได้สลายร่วงโรยไปด้วย ปฏิปธานี้จึงเข้าใจว่าจะเป็นเครื่องกระดับท่านนักปฏิบัติและวงกรรมฐานให้สง่างามได้ต่อไปเป็นเวลานานเพราะเป็นปฏิปทาที่ได้รับผลมาแล้วตามเจริตนิสัยของท่านผู้หนักในแง่ใดแห่งวงปฏิปทานี้เนื่องจากปฏิปทานี้มีหลายแบบมีหลายรสหลายชาติที่ต่างท่านต่างปฏิบัติตามจริตของตนและได้รับผลเป็นเครื่องตอบแทนมาด้วยกันจึงได้นํามาลงรวมไว้ในที่แห่งเดียว อาจจะเป็นความสะดวกแก่ท่านที่สนใจเลือกเฟ้นเพื่อถูกกับนิสัยของตนของตนนําไปปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์ต่อไปแต่ปฏิปทาสายนี้น่าจะเป็นความลําบากในความรู้สึกทั่วๆไปสําหรับท่านผู้เป็นต้นเรื่องก็รู้สึกลําบากทรมานเหมือนกันทั้งในขณะที่ทําและผ่านมาแล้วเพราะเป็นกิตที่ไม่ควรหลงลืมอย่างง่ายได้เนื่องจากเป็นกิตที่ออกมาจากใจจริงของผู้ทําแต่ละท่านและเป็นความทุ่มเทกําลังทุกด้าน ลงแบกไม่คิดชีวิตว่าจะเป็นหรือจะตายในขณะที่ธทรมมุ่งต่อผลที่ตนพึงหวังเป็นที่ตั้งเท่านั้นจึงไม่มีอะไรที่จะมามีอํานาจเหนือกว่าความหวังในธรรมเวลาผลปรากฏขึ้นมาก็สมเหตุคือถึงใจไม่มีทางตันิไม่ว่าท่านองคใดลงในทุ่งเทกําลังกายกําลังใจลงจนถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายจริงๆแล้วผลที่ได้รับนั้นมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงใจจะอย่างไรก็ตาม ที่วัลลับาก็ไม่ปรากฏว่าท่านผู้ายมีความเพียรยิ่งกว่าครูคือศาสดาไปได้เลยอย่างมากก็พออนุโลมได้ว่าปฏิบัติแบบลูกศิษย์มีครูสอนเท่านั้นเฉพาะผู้เขียนไม่มีอะไรทั้งฝ่ายเหตุและผลที่ควรจะนํามาออกสังคมหน้ากระดาษให้ท่านผู้อา่อานได้อ่านได้ชมบ้างเลยจึงขอเพียงได้นําเรื่องครูอาจารย์และเพื่อนฝูงที่ปฏิบัติด้วยการมาลงให้ท่านได้อา่านก็พอแก่วาสนาของตนอยู่แล้ว จึงขอเชิญวิงวอนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านและได้ปฏิบัติจนปรากฏผลเป็นที่พอใจเถิดจะสมเจตนาความมุ่งหมายของผู้เขียนที่ตั้งปณิธานไว้เพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมอยู่แล้วอย่างพึงใจในอวสานแห่งปฏิบัานี้จึงขอขอบคุณหมอมหลวงหญิงจิตินพวงศ์ปรราธิการหนังสือพิมพ์สีสัปดาห์เป็นอย่างยิ่งสุดจะกล่าวได้ถูกต้องตามความรู้สึก ซึ่งอุตสาห์ตามใจทุกอย่างที่ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมาทุกกรณีได้นำปฏิปธานนี้ลงในสีสัปดาห์แต่ต้นตลอดมาซึ่งสนนวนป่าบางประโยคบางตอนผู้เขียนไม่สงสัยว่าต้องทำความยุ่งยากลำบากและฝืนใจแก่ท่านผู้ปฏิบัติตามอยู่เรื่อยมาแต่ก็จำต้องทนและปฏิบัติเต็มความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายแห่งหนังสือนี้เพราะความเป็นผู้มีจิตใจสูงเล็งเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงกล้าเสียสละทุกอย่างด้วยความเต็มใจไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยจัดทำทุกท่านมาพร้อมนี้ขอความสวัสดีมงคลที่พึงปรารถนาจงเกิดมีแด่หม่อมหลวงจิตติบรรณาธิการและคณะผู้จัดทำสีสัปดาห์ทุกท่านดังใจหมายเถิด ห, หนังสือปฏิบัติานี้หากมีท่านผู้สัทธาพิมพ์แจกเป็นธรรมทานผู้เขียนมีความยินดีอนุโมทนาด้วยทุกโอกาส ปราาุณาราบตามในที่เรียนมาแล้วนี้จะไม่เป็นกังวลในการต้องขออนุญาตอีกในววราต่อไปแต่การพิมพ์จำหน่ายนั้นขอสงวนลิขสิทธ์ดังที่เคยปฏิบัติมากับหนังสือทุกเล่มที่ผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเพราะมุ่งประโยชน์แก่โลกด้วยความริ็สุดใจไม่ประสงค์ให้มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันจึงขอความเห็นใจมาพร้อมนี้ด้วยขอความเป็นสิริมงคลที่โลกปรารถนาจงเกิดมีแด่ท่านผู้อ่านผู้ฟังและ ท่านผู้ปฏิบัติตามทั้งหลายโดยทั่วกันเทิน